ที่ครานทำการงานในบ้านในช่องแล้วหนีมาบวชหวางว่าจะหลีกเลี่ยงการงานถ้าไปคิดอย่างนั้นโอ้มันเป็นความคิดที่ต่ามากแบบนั้นนะเป็นความคิดของคนสิ้นคิดคนไม่มีทางไปถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วมาบวช ผ, ผู้นั่นเหลวไหลจริงบวชเข้ามาแล้ว ไม่มันไม่ขยันในหน้าที่การงานข้อปฏิบัติต่างๆแต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมาบวชบวชแล้วได้รับคำตักเตือนแล้วตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปปฏิบัติตามธรรมตามวินัยจริงๆอย่างนี้มันก็ดีขึ้นเพราะว่าจิตใจของพุทธชนนี่นะมันสามารถ เปลี่ยนแปลงได้เพราะมันยังไม่รู้อริยสัจจะทำ ท, ทำของจริงยังไม่บังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้สิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเป็นโทษหนักบ้างเบาบ้างเอาโทษเ บ, า, บานั้นแก้ไขได้การแก้ไขก็ไม่ยากอะไร เมื่อรู้ว่าตนเผลอร่วงสิกขาหมดใดสิกขาหมดหนึ่งแล้วก็ไปขอแสดงกับเพื่อนภิกษุรู้แ ล, ล้รู้หนึ่งเสียอย่างนี้โทษนั้นก็หมดไปอย่างนี้นะไม่ใช่ยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าถ้ารู้แล้วขืนทําลงแล้วจึงไปแสดงอวบนี้ไม่ตกนะ้วจะบอกใหม้มีแต่ว่าเผลอเท่านั้นแหละโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนา แต่มันเผลอไปรู้ตัวแล้วว่าทนล่วงสิขาบทนั้นเช่นนี้ก็รีบไปแสดงกับเพื่อนเสียเช่นนี้แล้วโทษนั้นมันก็ลังงับไปอันนี้เรียก ว, ว่าอาบัตเมานะอาบัตหนักก็เพศต้นก็อยู่กรรมอยู่ปริวาอต้องอาบัตสังกาทิเศตสิบสามข้อก็อดดข้ อ, น, ขอนึงอย่างนี้ก็ต้องแจ้งต่อสงศ์ เมื่อหาว่าเก็บเมื่อเก็บไว้คือต้องอาบัติสังกาทิเศตข้อใดข้อหนึ่งแล้วล่วงเลยไปถึงหกเจ็ดวันหมดสิบวันจึงค่อยมาแจ้งต่อสงฆ์เช่นนี้ก็ต้องอยู่ปริวัติไปถึงเจ็ดวันหรือสิบวันนั้นแล้วจึงขออภานจึงขออยู่มานัดหกราตรีอันนี้นะ แต่ถ้าต้องอวต า, าราที่เศษวันนั้นแจ้งต่อสง์ในวันนั้นแล้วก็ขออยู่มานัดเพียงหกราตรีเท่านั้นแล้วก็ขออภานต่อสงโทษนั้นก็หมดไปพ้นไปถ้าต้องอาบหนักเช่นอวบปาราชิกอย่างนี้เขาผูใ้ใดต้องแล้วรู้ตัวแล้วก็มันลาศึกไปเลย ศึกก็ไม่ต้องลำบากอะไรนะเอาผ้าดำมานุ่งเสียเลยเพราะมันขาดจากความเพนรพิกสูแล้วก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันวินัยนั่นนะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปเจตนาแกล้งล่วงให้ตั้งใจสำรวมระวังเสมอไป งวิญญานมันก็อยู่ที่สติท่นเองนะอยู่ที่สติถ้าขาดสติสมบัติยาแล้ววิญญในก็เหลวไหล ร, รักษาไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ท่องจำให้ได้ในทิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลาย เมื่อเรียนรู้ท่องจำได้แล้วนี่ก็อาศัยสติขบถัญญะก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ร ะ, ะลึกเสียก่อนว่ามันไม่ผิดสิขบดวิในข้อไหนเลยอย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปเช่นนี้แหละท่านจึงเรียกว่าสติวินยัยสติอุนยโยดาตบบ เพิ่งำทำาสติวินัยให้แจ้งหนอนั้นดังนั้นสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่เราจะไม่ล่วงได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้เท่านั้นแหละถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วก็มันอาจล่วงได้เมื่อไดก็ได้อย่างนี้นะ่างนั้นให้พากันใส่ใจเรื่องสติให้มากเลย อยู่คนเดียวก็ดีอยู่หลายคนก็ดีจะไม่ล่วงสิขาหมดได้เขาเพาอาศัยสติระลึกได้เสมออาศัยฮิริโอตปาธรรมความละอายแก่ใจในอันจะทําความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ละอายพระพุทธเจ้าด้วยผู้เป็นต้นบัญญัติกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ทางในปัจจุบันได้เบื้องหน้าอย่างนี้นะถ้าว่าขาดทีนี่โอสพธรรมนี้แล้วแม้มีสติอยู่มันก็สามารถร่วงศิกษาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่กลัวโทษนี่มันไม่นึกว่าเป็นโทษอะไรความรู้สึกมันหนาไปด้วยกิเลสมันไม่สียเสียแยง ต่อการกระทํานั้นว่ามันจะเป็นโทษตามสนองให้เป็นทุกข์มันไม่คิดการที่คนเราจะล่วงทิศขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้นั้นนะถ้ายังมีความกลัวว่าการล่วงอาบัตินั้นมันจะมีผลเป็นทุกข์ต่อไปถ้ารู้อย่างนี้รละลึกได้อยู่นี่มันก็ไม่ล่วงน ะ, ะคนเรานะ่ะ เพราะฉะนั้นต้องจำกัดให้ดีดดเรื่องวินัยผู้บวดมาเก่าก็ดีผู้บวดใหม่ก็ดีเหมือนกันหมดเลหรือว่าเราเป็นนักปวดนี่เป็นนักปวดที่ดีอยู่ได้มีคนเขาเคารพนับถือนี่มันก็เพราะอาศัยมีวินัยนี่เองนะเป็นผู้สำรวมในวินัย ส่วนธรรมะนั่นก็เป็นผู้มีใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นการพยุงพวินัยให้มั่นคงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วนักษาวินัยไว้ก็ไม่ได้เป็นอย่างน้นเพราะว่าราคะโทสะโมหานี่นะ มันเป็นเหตุให้คนเราล่วงวินยัยถ้ามันทำสมาธิภาวนาทำใจสงบระ ง, งับอยู่รักษาความสงบอันนั้นไว้เสมอๆไม่ไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็รักษาสมาธินั้นไว้ได้ คือรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไวต่ออำนาจของกิเลสเมื่ออารมณ์ที่มายั่วยวนชวนให้เกิดราคะโทสะโมหะก็ไม่วันไวไม่ไปตามอำนาจของกิเลสนั้นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็สนับสนุนวินยัยมันก็ไม่ได้ร่วงวินยัยอันสำคัญ เนี่ยเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจท่านจึงเรียกว่าธรรมวินัยนั่นแหละธรรมะในสนับสนุนวินัยเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจแล้วกับมีวินัยพร้อมอย่างนั้นมันจึงไข่ดําเนินไปได้ชีวิตของผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครือขัดก็ดี มันก็ต้องต่างคนต่ก็มีวินยัยมีธรรมะอยู่ในใจทุกคนเลยเป็นคฤหัสก็มีวินัยของคฤหัสมีธรรมะของคฤหัตอย่า ง, งี้เลยเป็นนักบวชก็ต้องมีวินัยของนักบวชมีธรรมะของนักบวชอยู่ในใจ มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่เรามานับถือพระพุทธศาสนานี่นะนับถือเฉยๆไม่พอใจจะปฏิบัติตามทำตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักนับถือเฉยๆเพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านั้นหนึ่งโดยสักการะบูชาได้ดอกไม้ทูบเทียน เท่านี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายเท่าไรนะักพระศาสดาเขาไม่ได้มุ่งอย่างนั้นด้วยดังที่จะเห็นได้ในตอนที่พระองค์จะปรินิพานในเดือนหกเพนในครั้งนั้นนะพระองค์วันธมอยู่เห็นมนุษย์เทวดาโปรยปลายดอกไม้ทูบเทียนลงมาบูชาพระศาสดา องเผนเอินเทินทึกในบริเวณสวนอุทยานของมรรกษัต์นั้นพระองค์เห็นเช่นนั้นแล้วแทนที่จะสรรเสริญเยนยอว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนี้ก็ไม่พระองค์ตัดแก่พระอนุนว่าดูก่อนอ น, นุนบุคคลใดบูชาเราถาถาคดตต้วยดอกไม้ทูกเทียนของหอมต่างๆ จะชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงหาไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการบูชาก็ได้บุญอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองฮะแต่บุญอันนี้ยังไม่สามารถที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารไปได้ต่อเมื่อใดบุคคลมาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึงได้ตรองเห็นแล้วอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นการบูชาเราเ ถ, ถาคตอย่างสูงที่เรียกว่าปฏิปฏิปฏบูชานั่นแหละพวกเราที่เป็นนักบวดนี่เราก็ปฏิบัติบูบชาพระศาสดานั่นแหละ เราไม่ได้ขนขวายดอกไม้ธูปเทียนอะไรด้วยตนเองมาบูชาเว้นเสียแต่ทายกสายกาชาวบ้านเขานำมาถวายแล้วเราก็จุดบูชาไปหมดแล้วก็แล้วไปไม่ได้ยึดติดอยู่แค่เครื่องสักการบูชาเท่านั้นเราถือเอาการปฏิบัติ การสำรวมจิตสำรวมกายสำรวมวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวิันสม่ำเสมอไปอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นการละกิเลส ท, ทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปนี่มันเป็นทางพ้นทุกข์โดยทางลัดทางตรง ไม่ใช่เป็นทางโงค้งการที่ชาวบ้านเขายินดีในการให้ทานการทําสักการะบูชาได้ดอกไม้ทูบเทียนของโหอมนั่นนะ่ะนั่นเดียวว่าชาวบ้านมันยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงไปได้มันก็ทําความยินดีอยู่ในการสักการะบูชาได้ดอกไม้ทูบเทียนกราบไหว้อันนั้นไปก่อน นี่ผู้ครองเรือนมันกระต่งไปตามขัน้นตามอุปนิสัยที่ท่านเรียก ว, ว่ากุศลการมาพระจรเป็นผู้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปตามนั้นอย่างเห็นรูปพระสงฆ์ ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วเลื่อมใสศรัท ธ, ธาแล้วก็จึงตัดมัจรยญะความตนีสละจตุปัจจัยออกมาบูชามาสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้นี่เร ว, ว่างอาศัยรูป พระสงฆ์เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้ได้ทําบุญกุศลอาศัยเสียงได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังไปมีเหตุมีผลที่ผู้ฟังเข้าใจได้ดีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ทําบุญทําทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไป อันนี้เรียกว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลเพราะได้ฟังเสียงพระธรรมคาสอนของพระเจ้าได้สูดกลิ่นอาหารอันมีกลิ่นอันอร่อยอน่ารับประทานเช่นนี้ก่อมไปเป็นเหตุให้นึกถึงอาหารเช่นนี้ถ้าได้เอาไปถวายทานเนี่ยเยเห็นจะได้บุญกุศลมาก อย่างนี้เราก็ขวอนขวายในอาหารเช่นนั้นไปให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะอาศัยกลิ่นหรือว่าอาศัยกลิ่นดอกไม้หรือเครื่องหอมต่างๆอย่างนี้ล้วก็นึกถึงการทำสักการบูชาพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์ อะ้อย่างนี้เราหาดอกไม้ทุกเทียนไปบูชากราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสนี่เรียกว่าบุญกุศลเกิดขึ้นด้วยการสูดกลิ่นไม่ได้หลงไหลติดอยู่ในกลิ่นหอมอันนั่นด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อได้ดสูดกลิ่นหอมอย่างนั้นก็นึก ถ, ถึงการบุญกุศล น, นี่ให้บุคคลผู้ที่ ไม่เข้าใจในการทําบุญกุศลดังกล่าวมาเนี่เมื่อได้ถูกปิ่นหอมก่อหาอาหารอาหาดอกไม้นั้นมาเชยชมมาดมหอมใบแล้วก็แลี้วไปไม่คิดที่จะนําอาหารนั้นไปให้าทานไม่คิดที่จะเอาดอกไม้นั้นไปบูชาพระนั่นเรียกว่า ผู้ที่หลงไหลติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดบุญกุศลอะไรรสอาหารก็เหมือนกันสัมผัสที่นั่งที่นอนต่างๆมันนี้นะเมื่อบุคคลผู้มีบุญวาสนาได้อยู่ สถานที่โอท้งได้อยู่เย็นสบายดีปราศจากสิ่งรบ ก, กวนก็มานึกถึงว่าเราจะอยู่นี่ไปได้ไม่นานเท่าไรนักหมดบุญเก่าแล้วก็ตายจากไปสมควรที่เราจะไปต้องทำที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานไว้ เผื่อว่าเราได้เกิดไปในชาติหน้าเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายต่อไปคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไปสร้างกุติวิหารสาราอะไรตามกำลังทรัพย์ที่มีให้เป็นทานไว้ในพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่บําเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ทำสังกกรรมของพระสงฆ์สามเณรเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรเช่นนี้นะก็นับว่าการที่บุคคลได้สัมผัสกับวัตถุอันอ่อนนุ่มนิ่มอันสะอาดสะอ้านอะไรดังกล่าวมานั้นแล้วคิดสร้างบุญกุศลด้วยการสัมผัสอันนั้นเขาเรียก ว, ว่า เป็นผู้ได้สร้างบุญกุศลอาศัยสัมผัสเป็นเหตุให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้แหละจงว่าการทําเป็นบุญกุศลมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้นกุศลกามาวจรได้ปาอาศัย อ, อาศัยปราลบทรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสแล้วให้ได้ทําบุญ วันนี้ได้ภาวนาทำใจสงบระงับเห็นโทษแห่งกามมคุณเห็นว่าจิตใจที่ผูกพันอยู่ในกามคุณอันนี้มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันเศร้าหมองเห็นโทษอย่างนี้ก็เพ่งใจละอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ไปติดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ ไม่สามารถจะปล่อยจะวางรูปธรรมอันนี้ได้อย่างนีนะ้ท่านเรียกว่าบำเพ็ญรูปภาวจรูปสลจิตใจสงบนิ่งอยู่ในรูปกายอันนี้แต่ยังไม่สามารถจะปล่อยปล่อยวางได้ด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาญาณเพียงจะได้สมถะ จิตใจสงบอยู่ในรูปกายอันนี้อันนี้นะท่านเรียก ว, ว่ารูปภาวน์กุศลก็เป็นกุศลอันสูงกว่ากามมภาวน์กุศลนั้น อ, อย่างนี้แหละให้เข้าใจอาผู้แห่งรูประรูปได้แล้ววันนี้พันติดอยู่ในนามมาทำ เพ่งนามธรรมเป็นอารมณ์จนว่าใจมันสงบลงไปอย่างละเอียดและออมากอย่างนี้ท่านที่ท่านเรียกว่าอารูปฌานคิดตกเข้าไปสู่อรูปพระธรรมละรูปประธรรมเสียอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารูปภาวจรกุศล เป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นกุศลอันใหญ่ในการบำเพ็ญบุญกุศลนะเป็ น, นขั้นไปอย่างนี้เลยแล้ววันนี้พูดให้ได้บำเพ็ญจิตใจให้บรรลุสมาธินับแต่อุปจารสมาธิไปถึงอปป น, นาสมาธิ อย่างนี้แล้วเขามาเจริญนิปัสนาโดยพิจารณานามลูกขันหะโดยอนุโลมปฏิลมจะได้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาฉฉนี้มันเป็นทางแห่งโลกุตรธรรม เรียกว่าเป็นโลกุตระกุศนแต่เมื่อยังไม่ทันได้บรรลุ ก, ก็ยังเป็นไม่ได้นะต้องเป็นโลกิยะกุศลไปก่อนอมต่อเมื่อบําเพ็ญไปไม่ท้อไม่ถอยจนได้บรรลุถึงโลกุตระกุศนแล้วนั่นแหละมันจึงจะเป็นโลกุตระธรรมได้ผู้บําเพ็ญรูปภาวจรกุศนอรูปภาวจรกุศล หมายความว่าเพียงแต่ไปเพ่งจิตนี้ให้สงบอยู่ในนามมาทำอยู่ในรูปกระทำนั้นเฉยๆไม่มีปัญญาอุบายเยบคายสอนจิตใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้หมายความว่าอย่างนั้นมันจึงติดอยู่ในโลกทั้งสามนี้พ้นจากการมโรคก็ไปติดอยู่ในรูปกระโลก พ้นจากรู ป, ประโลกก็ไปติดอยู่ในอรู ป, ประโลกหมายความว่าโลกก็เป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณอย่างนี้นะที่นี่ผู้ที่บำเพ็ญโลกุตระกุศลได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นั่นเพียงขั้นโซดาปฏิผลเช่นนี้มันก็ เป็นหนทางเข้าสู่พนิพพานโดยตรงไปเลยไม่อ้อมค้อมแล้วอย่างน้อยอย่างมากก็เกิดอีกเจ็ดชาติเท่านั้นแล้วก็บรรลุพระนิพพานได้ถ้ายางกลางก็สามชาติอย่างสูงก็ชาติเดียวเกิดอีกชาติเดียวแล้วก็เข้าสู่นิพพาน อันนี้เราให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญทาง จ, จิตใจเราต้องรู้ไว้ทั้งทางส่วนที่เป็นโลกีและทางไปสู่โลกุตระธรรมนำเนินอย่างไรอันนี้ให้เข้าใจไว้ตามที่แนะนำนี่เลยที่แจงให้ฟังนี้เมื่อต่างคนต่างทำความเพีย ทางจิตใจอยู่อย่างนี้เมื่อใจสงบแล้วอาการกายอาการวาจามันก็สงบไปตามกันการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติเรียบเรียบไปเรียกว่าไม่แสดงออกซึ่งมายาสาไถ่เกี่ยวกับความรักความใคร่ไม่แสดงออกซึ่งความดุร้ายทางกายทางวาจา เพราะคำนา่าเผงความโกรธผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมบรนเทากิเลสเหล่านี้ลงได้ผู้บรนเทากิเลสอันนี้ไม่ได้แสดงว่าจิตมันไม่สงบเลยนันขอให้เข้าใจใครๆอย่ตามไปสอนไปตักเตือนเราทุก อธิยบททุกแข่งทุกผลไม่ได้เลยให้ให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือฝึกหัดปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนโดยความไม่ประมาทไอเช่นนี้แล้วมันก็พึ่งตัวเองได้ฮะเราเอาทะวินยียรเป็นครูเป็นศาสดาเลย ให้เข้าใจอย่างนั้นชีวิตของเราเรียกว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยวินัยไม่ใช่อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นเรามีธรรมคือมีมีเมตตากรุณามุติตราวเบิกขาเป็นเครื่องอยู่ในใจเสมอเสมอเรียกว่าเรามีเมตตาตนคิดจากยะ ถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารนี้อยู่เสมอไปอันนี้ลราเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาตนนะนนเมื่อตนปรารถนาจะถอนตนออกจากทุกข์ในโลกอันนี้นะอันใดเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกสงสารนี่เรากลละมันไปเรื่อยหมายก็ว่าอย่างนั้นประจึงเรียกว่าเมตตาตนปรารถนาให้ตนเป็นสุข เมื่อตนละเหตุแห่งทุกข์ได้ลงไปในขั้นใดตนก็มีความสุขความสงบลงได้ในขั้นนั้นนั่นแหละคือว่าเมตตาตนทำตนได้เป็นสุขสบายเมื่อตนทำตนได้เป็นสุขสบายได้แล้วรู้จักให้อภัยแก่พู้อื่นที่กระทบกระทั่งตนมาตนก็ไม่ถือสาหาความ เอาให้อภัยไปไอ้ฝ่ายที่หลงเผลอตัวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นก็เมื่อรู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจสำรวมระวังต่อไปมันก็นต้องอย่างนั้นเดียเมื่อไปเผลอต่กระทบกระทั่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนมันชั่ว มันรู้อำนาจแกกิเลเสเช่นนี้นะพู้นั่นก็ละกิเลสไม่ได้แล้วทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้แล้วผู้จะทำกิเลสให้เบาบางได้เนี่ยมันต้องรู้ตัวนะเออเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดแล้วมันกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังต่อไป มี ส, สติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเพราะว่าเหตุอันใดที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษแก่ตนและผู้อื่นและก็ละเหตุอันนั้นเรื่อยไปไม่สะสมไว้ มันี้ทุกทางใจมันก็บรรเทาลงทุกเพราะเรื่องนั้นนะมันก็ระ ง, งับลงไปนี่เรียกว่าเรามีเมตตาทั้งตัวเองและทั้งผู้อื่นไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเพลิของตัวเองนี่เรียกว่าทุกคนน่คุณธรรมเหราเนี่ยต้องมีทั้งนั้นเลย จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครืงหัดก็ดีมันก็ต้องมีถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วมันก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนนะต้องทำตนและพวกอื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่นะจะเกิดมาณทิตันถือตัวถือตนว่า ตนนั่นแหละดีกว่าผู้อื่นหรือว่าเฉลียวฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าพูดถึงกําลังกายตนก็แข็งแรงจะชกกันตีกันตนก็ไม่กลัวเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้มันก็แข็งกระด้างก็ไม่ไม่เคารพยอมเกรงใครไม่เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติรมแล้วเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประพฤติทธธรรมประพฤติวินัยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วก็เป็นผู้เรื่มใสในพุทธศาสนาผู้ครองเรือนก็ตามเราก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่น อยากกาให้เขาเป็นสุขหากมีโอกาสตักเตือนเขาอย่างนี้แล้วเขาไม่เชื่อไม่ทําตามเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนก็วางอุเบกขาลงเมื่อเราช่วยเขาเขาไม่รับความประสงค์ความต้องการของเรา อย่างนี้นะแล้วเราก็วางอเบกขาลงนึกถึงกรรมของสัตว์โอ้กรรมของเขาเนาะเขาทากรรมมาอย่างนั้นเขาก็ต้องเสวยผลกรรมของเขาอย่างนั้นไปนี่เมื่อ น, นึกถึงกรรมของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปตัดกรรมมังเวนของใครได้เลย เพราะอนุภาพแห่งกรรมแห่งเวรนี้มันอยู่เหนือชีวิตของผู้กระทาเมื่อมันให้ผลแก่ใครแล้วผู้นั้นก็ย่องสสเสวยผลแห่งกรรมแห่งเวรอ น, นั้นไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับบุคคลผู้ถึงความวิบัติ ผุ้คนผู้กระดั่งกระเดื่องผู้ไม่เชื่อถ้อยฟังคำอะไรพวกนั้นในอดีตการพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แต่ตอนที่พระองค์เป็นพญาช้างเผือกอยู่ในป่าในครั้งนั้นก็มีบริวารมากพอสมควรใน ว, วันนี้ก็มีช้าง เชื่อกหนึ่งเป็นช้างตัวผู้ไม่ค่อยทำตามระเบียบของหมูไม่เชื่อฟังผู้หัวหน้าก็แฝงแฝงขมูไปนั่นเนี่ยมันนี่โขงช้างเหล่านั้นเดินทางไปๆก็มีนกไส้ตัวหนึ่งมันทำรังอยู่ระหว่างทางที่ช้างเดินไปนั่นน่ะ เข้าใจว่ามันทำอยู่ต่ำวันนี้นกไส้ก็เลยมาขอร้องสัตว์ดิบดิษานมันจะรู้เรื่องกันนีลยถ้าว่าข้าพเจ้ากำลังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในรังขอความกรุณาจากท่านขอท่านอย่าได้เดินผ่านนี่ไปเลยถ้าท่านเดินผ่านวันนี้ก็รัง ของข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าก็จะชิบหายไปเลยเหมือนกันพระยาช้างเฟือกได้ฟังนกไส้ขอร้องอย่างนั้นก็ทรงยืนยืนขวางทางไว้อให้ช้างบริวาร น, นั้นหลีกออกจากที่นั้นไปช้างบริวารก็หลีไปหลีกไปหลีกไปจนหมดแล้ววันนี้ก็เพียงได้บอก แกนกไส้ว่ายังมีช้างพยศตัวหนึ่งนะนั่นมันไม่เชื่อฟังเราอะ่ะมันจะมาตามหลังนะต้องระวังให้ดีว่างั้นมันอาจจะทำลายรังของแกก็ได้ว่างั้นว่าแล้วพระพญาช้างเผือกเกาะเห็นบริบาลไปหมดแล้วก็ไปเพราะว่าจะไปรอขัดขวางช้าง เครื่องนั้นไม่ได้ท่านก็ไปท่านก็เลี้ยงออกไปจากกลางนกนั้นภายหลังช่างเครื่องนั้นมาตามหลังนกไส้ก็ขอร้องว่า ก, กาลังเลี้ยงลูกอยู่ลูกยังบินไปไม่ได้ขอให้เว้นไปทางอื่นก่อนเนะี่ช่างเกเรตัวนั้นมันก็ไม่ฟังก็เอางวงไป เหนี่ยวเอารังของนกไส้นั้นลงมาฟาดรงพื้นดินลูกนกไส่ก็ตายนกไส่ก็ูกอาคาดไว้บันี้ภายหลังมานกไส่ไปสมคบกับกาบนันี้ขอให้กานนัไปช่วยจิกตาของช้างนั้นใ ห, ให้ช้างตาบอด อย่างนี้อกกาก็บริการให้ตามที่นกไส้ขอร้องอกาก็ไปจับอยู่ที่หัวช้างแล้วก็ได้โอกาสก็สับตาของช้างนั้นไปช้างนั้นจะทําอะไรกาก็ไม่ได้วันนี้ตัวอื่นมาก็มาจับเข้าไปอีกกสับเข้าไปหลายตัวสับเข้าไปตาก็บมดเลย พอตาบอดแล้วก็ไม่เห็นทางเดินเดินโซเซไปก็ไปตกเหี่วตายนีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดปาถไนผู้อื่นชิบหายตนเองก็วายวอดอ ม, มันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องกรรมเรื่องความถือทิฏฐิมานะกระด้างกระเดื่องนี่นะไม่เคารพต่อกฎกติกาไม่เคารพต่อธรรมวินัย เช่นนี้แล้วมันก็จะถึงซึ่งความจิบหายเหมือนเหมือนอย่างช้างเกเรเชือกนั้นเลยนะพวกเราให้เข้าใจไว้เราจะไปยึดมั่นแต่บุคคลเท่านั้นว่าเราต้องเคารพแต่ผู้นี้แหละผู้อื่นไม่เคารพเราจะทําตามแต่ผู้นี้ผู้อื่นไม่ทําตามเลย ก็จะไปคิดอย่างนั้นนั้นไม่ถูกมันจะเป็นเหมือนช้างเกเรตัวนั้นแหละให้ถือเอาธรรมเอาวินัยคำสองพระตัวเจ้านั้นเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจอย่างนี้นะมันจึงจะไม่ถึงซึ่งความเสื่อมจึงจะบรรเทากิเลสตัณหามา n ะทิฏฐิอะไรลงได้ โดยสรุปแล้วเขาเรียกว่าคนที่ไม่ภาวนาไม่เจริญวิปัสนาไม่แยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้าออกไปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาให้เห็นว่าว่างจากสัตว์จากบุคคลเมื่อไม่แยกแยะออกไปอย่างนั้นมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ตามเดิมเ่ยมันก็ถือตัวถือตอนเกิดแข็งกระด้างขึ้นมา ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครและใครอย่างนี้นะก็เพราะความถือขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นแล้วก็ผู้ที่มาเจริญสมาธิเจริญวิปัสนาพิจารณานามธรรมารูปธรรมที่ดังดังที่ได้สแสดงให้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะ แยกแยกออกไปจนให้มันเห็นว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสุญโยเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์จากบุคคลหมายความอย่างนั้นแต่ว่าธาตุสีก้านาก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันทั้งไม่ใช่ของใครถ้าไม่ใช่ของใครทำไมละกิตจึงมาอาศัยอยู่นี่ จิตมาอาศัยอยู่เพราะจิตยังไม่รู้แจ้งในขันห้านี้หมายเาว่าอย่างนั้นยังปรงยังวางขันห่านี้ไม่ได้ยึดถือขันห่านี้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเช่นนี้แหละแล้วกรรมดีกรรมชั่วต้อกระนำให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนั้นนะ นี่แหละให้พากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตหรือว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนะี่ยเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เพี้ยนพยายามละเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้แล้วความทุกข์ทางจิตใจก็พันทาเบาบางลงไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้